สิ่งที่มันเกิดมาตัวกายวาจาใจตัวทังวันรักษาไม่ได้เปิดประตูให้ความชั่วเข้ามาทับถมตายใจท้องตัวนี่คือผู้ที่มีอาจมีทำท่านรักษาตัวของท่านอย่างนั้นเมื่อรักษาตัวของท่านอย่างนั้นทุกการทุกเวลาความ อยากเย็นข้องใจความปลอดภัยข้องใจความสุขข้องใจนั้นกเกิดขึ้นได้ถึงจิตยังไม่สงบเป็นสมาธิรวมลงเป็นหนึ่งก่อตามถึงปัญญาจะละกิเลสในขาดยังมีอนุสัยอยู่ในจิตในใจก่อตามแต่อนนานาจการชั่งบอระวังรักษาด้วยสติปัญญานั้นก็สามารถคุมสั้น ใหจิตใจของเราท่านถูกสบาเราเองพิจาราทุกโทษความเสียหายต่างๆที่ใดทําใด้พูดใดคิดเด้วยพิจารณาโดยความงใจของตัวมันไม่มีความเสียความเสียส่วนนั้นไม่มีเมื่อตาพิจารณาแล้วไม่มีอะไรที่จะเสียหาย เมื่อเราพิจารณาเขีนว่ากายวาจาใจของเราไมา่ได้เชื่ออย่างนั้นเราก็มีความสุขวันคืนเรียนทีที่ผ่านไปกายใจมไม่ได้เป็นทมชั่วคิดชั่วถึงคนอืน่นเขาจะมาาหมินินทาหว่าเรา บ่าบ่าบอบออย่างนั้นอย่างนี้กัวตาเราได้เกลีตาที่ใจนาแล้วเราไปเลยบ่าเลยบ่อตามลมปากท้องเขาเราก็เหยียดกัวเย็นถ้าหากเราเป็นอาจเป็นธรรมไม่เข้าตัวอย่างนั้นไปตรงไปตรงมาเป็นอสุปฏิปันโนไม่แวะเข้าตัว คือตรงใจดีเชื่ออย่างไรตรงอย่างนั้นผู้ทีเป็นสาวกของพระเจ้ทาท่านปฏิบัติตรงไปอย่างนั้นมไม่ดีเข่าตัวสิ่งที่เชื่อที่เชียถ้าเขาตันมิมันมีจริงในตัวก็สอนตัวว่าอันนี้ฝ่าฝืนธรรมพูดไป เขาก็มีแก่ทางแก่ตามีนินทาดุดาขาตีหนักเข้าเพราะมันไม่เป็นอาดเป็นธรรมให้ถ้าเขามาทําแกเราอย่างนั้นเราก็มีการจะตามีเขาตีเยียมเขาดุดาว่ากล่าวเขาหรือบางทีบางครับใจไม่ได้อาจจะ หากันตายก็เป็นได้นี่คือความชั่วที่เขาทำเสียตัวของเราเรามีความโกรธความเสียดไม่ยินดีไม่ชอบใจแล้วเราเป็นอย่างไรที่เขาตำหนิเราว่าไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ดีอย่างเขาพูดไหม ส้องตวจตาที่เจอนะหากเห็นว่ามันไม่ดีมีมูลเหตุพอที่จะให้เขาตํานิเขาจึงตำหนิเราเราก็จะต้องแก้ไขสิ่งที่เขาว่าไม่ดีออกจากกายวาจาใจของตัวหากเราดูอยู่แล้วแต่เขาเข้าใจผิดเราก็อย่าไปถือถือถือสาบ่บ่บอ ปากหมามันเห่าหรือว่าพระเจ้าพระสงฆ์หรือคนธรรมดาจนมาคนแบบนั้นมันไม่คิดไม่ได้อ่านอะไรจะไปถือถีเทัาปากบ่าบาวบอมอย่างนั้นเราไม่ถือกันทิ้งไปปล่อยไปนี่หมายถึงใจที่ตรงไปตรงมาต่อธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอน ผู้ปฏิบัติจะต้องสวดตาที่เจนาตัวเองจึงจะได้เสื่อผู้ปฏิบัติไม่อย่างนั้นมันไม่มีอะไรถึงจะทํำท่าเดินจงกรมภาวนาบวชเป็นา้าเป็นแลนเป็นจีตาผส า, าวมันกว่าขาวตัวข้าใจมันดำเป็นผ่านมันเหลืองเก็บข้าใจมันเป็นบ่าเป็นบอ มันจะต้องตัวตาที่เจนาสำาระใจของตัวธรรมะท่านให้สำรักสักพอกจิตใจที่หมืดดำให้สว่างสวัยให้เท้าสะอาดผู้ศ ร, รมีมีธรรมะคือมีสติปัญญารักษาใจคนนั้นแหละอยู่ในสถานที่ใดก็มีความสุขความสบายตลอดถึงสู่คน ทั่วไปเขาเหลีย่ยมใสศรัทธาคนที่มีปัญญามีความต่องการความดีจึงตัดเป็นภาษิตเอาไว้ทำโมหะเลระขจิธรรมาจารุ <c oughs> ทรรักษาสุภพฤทธิธรรมไม่ตกไปในที่ชั่วไม่ว่าใปัจจุบัน สิยังไม่ล้มหายตายไปยังมีชีวิตทีวาอยู่จะไปอยู่ในสถานที่ใดคนนั้นจะมีคนสนใจคนนั้นจะมีคนเลื่อมใสศรัทธาถึงอยู่ป่าอยู่ถ้ำลึกขนาดไหนเขาก็ยังยินดีเต็มใจที่จะไปกราบไปไหว้ไปทำบุญสุนทานเพราะเขาถือว่าเป็นเมื่อนาบุญของเขา ท่านปฏิบัติกายใจของท่านเป็นไปตามอัดตามธรรมไม่ได้ไปเชื่อเชิญเสียร้องว่าฉันดีดีเศษอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีกิเลสตัณหาแต่มันก็ทราบเองเหมือน ก, นกันกับดอกไม้อย่าบา น, นที่ไหนไม่ต้องไปเสียร้องแมลงปู้มแมลงซึ่งมันเห็นเองเพราะสัตว์เหล่านั้นมันแสวงหาดอกไม้อยู่แล้วนี่ ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าคือใดประพฤติปฏิบัติกายใจทังตัวให้ดีมีศีลมีธรรมประจําตัวกว่าทํานองนั้นถึงทันานเลยเดี๋ยวร้องให้เขามารักษามาเลื่อมใส่มันก็เป็นไปเองอย่าไปคิดว่ามันจะอดยกยากจนอดตายเพราะการประพฤติปฏิบัติอาจทําไม่ต้องคิด ขอให้จิตของตัวเป็นอาจเป็นธรรมเชื่อมั่นมาทมต่องรักษามีความสุขมีความสบายไม่อดอยากอยากจนเพราะการสังเกตปฏิบัติอาจธรรมมีหมายถึงชาติปัจจุบันพบปัจจุบันเมื่อจากอัตภาพร่างกายคือล่มหายตายไปแล้ว ทำกวดคุคมคลองรักษาตามหน้าที่ของทำที่ตัวประพฤติปฏิบัติถ้าตัวประพฤติปฏิบัติอาจทำอยู่ในขั้นใดทำกวจะต้องคุคมคลองรักษาไปให้เกิดในคดีพบนั่นนั้นทาไม่ใช่ทอดทิ้งบุคคลประพฤติปฏิบัติทำรักษา คุ้มครองให้รับความสุขให้รับความสบายปราศจากทุกโทษตามฐานะที่เรารักษาตามฐานะที่เราละกิเลสได้เรื่องการประพฤติรมจึงเป็นเรื่องจาเป็นของพวกเราทุกคนที่จะต่างหน้าต่งางตาประพฤติปฏิบัต เพืาฝึกฝนจิตใจของตนให้สอาไปหาธรรมถ้าเอาธรรมเขามาสู่จิตใจแล้วจิตใจมันสดกรโปกโสโมจมิตใจสื่อเต็มไปด้วยวิชาตันหาอุปาทานเลยทมที่เขามาเกี่ยวกข้องกับหัวใจของเราเลยกลายเป็นกิเลสตันหาไปไม่เป็นอาจเป็นธรรมให้ เราต้องน้อมใจของเราไปสู่ธรรมอะไรที่ไม่เป็นอาจเป็นธรรมเราจะต้องกำจัดกาจัดขับไล่ให้ตองต่ออาจต่อธรรมี่พระพุทธเจ้าตรงนี้สอนเอาไว้ถึงจะขัดยิดใสขัดจิต ข, ข, ขัดใจของตัวก่อตามงฮะฮ เราเห็นว่าธรรมะนั้นเหนือเรื่องจิตใจของเราเราก็ควรยอมเสียสละเพราะว่ากายใจของเราความขัดใจของเรานี้มันขัดต่อจิตเรศของเราถ้าเราเชื่อเรื่องของเราแล้วเราก็จะไม่ทิงอัดทิ้งทําให้จะไม่ปลอดภยัยจะไม่สุขไม่สบายเราจะต้องแน้สอน ตัว้องตัวอย่างนั้นจึงจะเข้าว่าเพื่อปฏิบัติอาธิธรรมได้เมื่อเพื่อปฏิบัติอัธรรมเรารักษาธรรมธรรมกว่ารักษาเรามีความสุขความสบายตามอัตภาพที่เป็นอยู่นอกจากนั้นทำบทที่สองที่ท่านตัดเอาไว้ <c oughs> ยังมีต่อไปธรรมโมสุกินโนสุขมาวะหาติ ทำถี่บุคคลประพติปฏิบัติดีแล้วนำความสุขมาให้ความสุขเป็นที่ปรารถนาของคนทั่วไปของสัตว์ทั่วไปแต่เหตุใดจึง เ, เกิดทุกเกิดโทษเดือดร้อนวุ่นวายก็เพราะเราไม่ต่ะพฤติปฏิบัติตทม ทำจึงไม่นำความสุขมาให้เราปล่อยใจปล่อยวาจาปล่อยใจทำไปในทางชั่วทางเสียทางทุกข์ทางโทษเราจะไปตำหนิทำมาจะถุงคลองรักษาไม่นำความสุขมาให้ไปตำหนิจนปากฉีกมันก่อไหมเกิดผลอะไรถ้าหากไม่ตั้งติหน้าตั้งตาปฏิบัติใายใจของตัว ในอาจในทำแล้วมันไม่เกิดให้เกิดอา น, นิสงเกิดผลคือความสุขของใจ เ, เราอยากจะมีความสุขของใจต้องตั่งหน้าต่างตาปฏิบัติรักษาภาวนาลรกิเลสอยากไปสะสมเรื่องชั่วเรื่องเสี้ต่างๆนั่นา เป็นพิษเป็นภัยเสียกายวายใจใจของตนเห็นว่าชั่วว่าเสียล้างออกไปกำจัดออกไปขัดให้สะอาดมันก็หมดไปได้นีเราไม่สวจตาที่เจรณากายใจของตัวอย่างนั้นความชั่วความเสียถึงมาบวชมาปฏิบัติเขาวัดเขวาวาจำศีนภาวนา มันก็ไม่มีอะไรตกออกไปหล่นออกไปกิเลสตัวไหนที่เคยมีอยู่ในจิตในใจมันก็ยังคงเส้นคงวาหรือเติบโตจเจริญขึ้นตามอายุพรรษาไม่มีกิเลสตัณหาตัวไหนที่จะตกจะหล่นออกไปแล้วจะให้ความสุขของใจมันเกิดมีมาจากอะไรมันเกิดมีมาไม่ได้ เรื่องของจีเลตันหาก็เหมือนกันกันกบกาฝากเกิดจากส่วนไม้แต่กนดูดกินส่วนไม้อยู่ตลอดากาาฝากมากขึ้นส่วนไม้ตออับเสาผลที่สุดเหี่ยวแห้งตายไปนีใจที่มีจีเลตันหาก็อาศัยก็ทําองเดียวกันท่านจึงห้ซ้ำละหาะสาง เกีย่ยงความสั่วเสียต่างๆให้ตกออกไปประพฤติปฏิบัติกายใจของตัวให้ตรงต่อทำคำสอนของผู้ไก้เจ้าเมื่อผู้ใดรักษาใจของตัวได้อย่างนั้นคนนั้นถึงไม่ปราถนามรรคผลนิพพานแต่เขาต่างหน้าต่างตาํำระจิตเลสของเขาเขาคนนั้นจะได้รับ มักเป็นอย่างไรผลอย่างเป็นอย่างไรนิพพานเป็นอย่างไรไม่มีความสงสัยเพราะเขาเห็นเขาเป็นในจิตในใจของเขานี่คือการปฏิบัติการรักษาการชาระตัวตัวเองจะต้องเห็นต้องเป็นไม่ใช่ว่าคนอื่นจะเอาใบประกาศนียบัตรมาจิตให้เป็นโซดาสจิทาคาอนาคารหารัน ความจริงถึงจิตให้มันก็ไม่เป็ีนไปถ้าจิตใจไม่เห็นไม่เจนในตัวถึงไม่ติดมันก็ไม่ชั่วไม่เสียถ้าจิตใจปฏิบัติตกําจัดกี่เหลือได้ทําเป็นปัจจัตตังรู้เฉพาะเป็นสารพิกิโกเห็นโดยตนเองเห็นอัจฉริโกไม่มีกามมีเวลาอได้เจรักษาปฏิบัติ รักษาได้ปฏิบัติได้เพราะกายใจมันมีอยู่ไม่ใช่ว่าวันนี้ไม่มีกายไม่มีใจวันถ arna จึงจะมีกายมีใจความจริงมันมีอยู่นี้เหมือนจะมีลมอยู่ยังมีทางที่จะประพฤติปฏิบัติลาชั่วบาเพ็ญดีได้หรือจะไปหาการใดเวลาใดโลกใดพบใดจึงจะต่างหน้าต่างตา ทำลายใจของตัวให้มันทีนี้ที่ใจนาเราเกิดมาไม่ใช่เกิดมาเล่นมาเพลินเท่านั้นสัตว์ถั่วไปมันก็เป็นไปได้เหมือนมนุษย์เรามันม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันมันหลับได้นอนได้สืบพันกันได้แจ่เจ็บตาย ยิ่มหิวเหมือนกันแต่เราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่สูงด้วยคุ ณ, ณธรรมจงตั้งหน้าต่างตาศึกษาตั้งหน้าต่างตาปฏิบัติให้สมกับภูมิของมนุษย์มนุษย์จะทมให้มีอยู่ในจิตในใจ มนุษย์ที่เป็นมนุษย์สมบูรณ์หรือคุณนธรรมคือมีมนุษย์ศ ร, รัธจะฟังธรรมจำศีลภาวนา <c oughs> มันเกิดประโยชน์ได้แต่ <c oughs> ทรามเป็นมนุษย์แต่แก่ร่างจายแต่จิตใจมันไหลไปในทางสัตว์ถึงจะประพฤติปฏิบัติเขาวัดเขาวาไหว้พระสวดมนต์อะไรจิตใจมันก่อ เป็นศักว์พูดแบบนกแก้วนกขุนทองใจจิตใจไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นไปตามคำพูดมันก็ไม่เกิดสาระประโยชน์ให้ท่านจึงให้ดูกายดูใจของตัวต่างหน้าต่างตาะพฤ่อปฏิบัตกิกำจัดชั่วบ่มเพนดีไม่อย่างนั้นก็ขาดทุนสูญกำไร เพราะวันคืนผ่านไปหมดไปใส่ต่อความตายเขาเรื่อยๆอะไรที่เราได้เราเห็นเราดีเราเด่นมีไหมแต่เราไม่ได้ไม่เห็นก็รีบจะทําบาเพ็ญเพราะมันจะท่ำแล้วควรจะได้อะไรก็รีบหาเอาเสียไม่อย่างนั้นแต่วันมันตกมันท่ำมันมืดมันไม่เห็นอะไร นี้อะไรจิเมื่อติดตัวไปก็ไม่ทราบว่าจะเอาอะไรไปกินในวันข้างหน้าแตนจะให้หรีบแสวงหาเอากอบโกยเอาสิ่งใดครที่จะเป็นผลเป็นประโยชน์ให้แต่เราทุกคนคำนึงคำนวณอย่างนี้การทำคุณงามความดีก่อ พอเห็นว่ามันจะยากลำบากอะไรพอที่จจทำได้ไม่เหลือวีสัยไม่ได้คิดไม่ได้คำนวณอยู่ไปหมดวันหมดคืนหมดเดือนหมดปีเรื่อยไปจิตใจมันจะชั่วจะเสียจะเป็นอย่างไรมได่ดีสำรักสาสาง ม, มันเลย มันก็เลยเกิดทุกข์เกิดโทษแก่ตัวอยู่เสมอมาคนที่ภาวนา <c oughs> มีสติปัญญาสอนตัวอยู่สถานที่ใดท่านเกาะต่างหน้าต่างตาสำระชัวว่ววมเผ็นดีของท่านไม่ได้ประมาทเมินเฉ ย, ยการ ฟังธรรมภายในคือฟังจากใจของตัวละลึกนึกถึงสิ่งที่ตัวทาไปที่เป็นอจเป็นธรรมมาไว้รวบรวมเอาไว้ที่ใจของตัวเราวันหนึงหนึ่งเราได้ทำคุณงามความดีอะไร เก็บออามาไว้อย่าไปปล่อยเยรือล่าเราได้ให้ทานเราได้รักษาศีลรัยภาสวดมนต์เดินโยกรมภาวานาให้คิดรวมมาสู่จิตสูส่ใจทองตัวจิงที่่วยสิ่เสียเราไปดูไปดาไปขาไปตีอย่าไป นึกออามาใส่ใ จ, ใจมันร้อนมันเผาอันนั้นมันตกไปแล้วหมดไปแล้วเดี๋ยวเอามาเผาตัวอีกเผาตัวอีกวันไหม่อีกร้อนอีกแล้วความดีเขามารักษากายวาใ จ, i, ใ, จใจของตั ว, วเอาเอาของดีมารักษาใจสิ มีของดีเป็นเสื่องรักษามันก็สุขก็สบายในวุ่นวายกังว น, นการปฏริบัติใจของตัวเป็นเรื่องสำคัญคนอื่นท่านรู้ท่านเห็นท่านดีท่านเด่นเป็นเรื่องของท่านถ้าเราไม่ น้อมเอาความดีของท่านท่านทำไมท่านมีอะไรผิดแปลกแตกต่างจากเราท่านจึงดียิเศษได้ท่านมีอะไรผิดแปลกแตกต่างเราท่านจึงเย็นจึงสบายตาหูจมูกริ้นกายใจของท่านเหมือนกันกับเราแต่ทำไมท่านจึงเย็นจึงสบายจึงสงบเรามันเป็นอะไร มีอะไรผี่ผิดแปลกแตแกต่างกับท่านเองจะคิดว่าเราไม่มีอํานาจวาสนาคิดว่าเราทําไม่ได้จะต้องตรวจสอบทีนี้ที่เจะนะตัวอย่างนั้นขอวัดปฏิบัติอาจทำที่ท่านทํานั่นแหละทําให้ท่านสุขทําให้ท่านสบายทําให้ท่านหยือกเย็ยนสงบ ละงับได้ไม่ใช่ว่าเรื่องอันอื่นเรื่องเราเดือดร้อนวุนวายกะสากระายไปตามสัญญาอารมณ์ตามกิเลสตัณหาก็เรื่องของเราที่ไม่รักษาปล่อยให้สิ่งที่ชั่วที่เสียรั่วไหลเข้ามาทับถมเรื่อยๆจิตใจจึงวุ่นวายไม่เยุดยินสงบได้ มีการตรวจตาทิ่เจรินาศึกษาอาจทำภายในตัววัดดูภายในวัดดูใจของตัวอย่าไปดูวัดนอกวัดนอกมันดูไม่ถ้วนมันมีอยู่ทุกขนทุกแห่งดูวัดในฐานวัดของเราเป็นอย่างไรศีลวัดของเราเป็นอย่างไรภาวนาวัดของเราเป็นอย่างไรนี่คือวัดใน วัดดูใจของตัวมันสูงมันต่ำมันสัน้นมันยาวขนาดไหนมันกว้างมันแคบขนาดไหนคนใดตรวจตาที่เจนารักษาวัดภายในคนนั้นแหละจะไม่ขาดทุนศูนกำไรตายไปจะมีความสุขความสบายเหมือนกิเลสตัญหา <c oughs> ยังของจิตในจิตในใจ พบชาต์ใหม่ที่เราจะก่อเกิดตัวอํานาจที่เรามีวัดมีอัตนิธรรมเราจะในผิดหวังที่เกิดของเราที่อยู่ของเราจะมีความสุขความสบายผิแดแปลแตกต่างขับสัตว์ทั้งหลายที่เกิดรวมพบรวมชาติกันพออานาจ ทำคือวัดภายในคุ้มครองรักษากายใจของเราให้ปลอดภยัยให้เจริญยิ่งกว่าเขาถ้าเราไม่ตรวจตาที่เจนะวัดของเราเขาวัดกว่าเขาตั้งแต่กายใจแส่ใายดินน่นรนไปที่ไหนไม่ทราบกันทั้งนั้นนั่งฟังอัดฟังทำภาษาปองโง่โง่โง่ ไม่ได้เอาใจใส่ไม่ได้ทวว่าเป็นโชคลาภของเรามีธรรมของพระเจ้ามาแน่มาสอนให้คนเกิดผิ่การผิดสมัยเกิดเป็นพวกมิจฉาทิตทิถึงมีธรรมมีวินยัยมีพระมีวัดมีเชื่อง แนี่ยเชิงสอนขนาดไหนเขาก็ไม่เหลื่อมไซส์ไม่ยินดีนี่เรามีโชมมีลาบมีตาก็าได้ดูมีหูก็ได้ฟังมีจิตมีใจก็ได้คิดจิตถูกชั่วดีต่างๆีกูที่อาจารย์ที่พระพุทธเจ้านำมาสอนทำจิตทำใจของตัวให้เบิกบานทาจิตทำใจของตัวให้รู้ สัวดีผิดถูกถึงจะลำบากอยากเย็นเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยหิวในการจะททำบำเพ็ญล้วก็สู้อดสูดท้ทนเอาเพื่อต่อการความดีถ้าเราไม่คิดอย่างนี้มันก็ยุ่งยากลำบากตัวมาฟังเทศฟังธรรมพอทันเอ่ยธรรมะธัมโมขึ้นเมื่อไรจะจบเมื่อไรจะ จะจะสิ้นเมื่อไรจะหยุดใจอยาคิดปรุงไปอย่างนั้นคือไม่รักษาจิตของตัวเอาไว้หน้าที่ของท่านอยากหยุดอยากพักเมื่อไรก็เป็นเรื่องของท่านหน้าที่ของเราเราจะทําจิตทําใจของเราอย่างไรจิตใจจึงจะผ่องใสจิตใจจริงจะเยือกเย็นจึงจะสงบให้คิดไปแบบนั้นมันได้รับถูกรับความสบายอย่างไร คิดไปปรุงไปก็ควรแนนสอนควรดูจิตใจของตัวไม่อย่างนั้นมาฟังเทศก็ไม่ทราบว่าจิตใจรใั่วไหลไปเนี่ยใดมุมใดฉันพูดอะไรไม่ได้ใส่ใจไม่ได้จดจำนี่เจ้าหิงบุ่นในสัญญารมภัยนอกมันก็เลยไม่สุกให้สบายให้ไปที่ไหนก็ไปเถอะ อันมมีความดีความสุขแล้วไปที่ไหนมันก็ทุกตลอดการแต่จริงแห็นสำราญใจภายในหัวใจสุขใจสบายอยู่สถานที่ใดก็ปลอดภัยก็สุขก็สบายตายในส่วนลมไม้ก็ปรินิพนอย่างพระพุทธเจ้าไป ต, ตายในปราสาาดสว่างตึกสี่ชั้นก็าตามกิเลสตัณหาเป็นอย่างท่วมทับจิตใจ ย่าหวังไม่จะได้ไนิมิถานกับเขาถ้าทำได้จิตใจหมดกีเหลืตัญหาอยู่สถานที่ใดมันก็เป็นนิถานอยู่ก็สุขไปก็สุขเพราะจิตใจเป็นสุขแต่จิตใจเป็นทุกข์อยู่ก็ทุกข์ไปก็ทุกข์เกิดก็ทุกข์ตายก็ทุกข์ ทุกๆุมันเกิดขึ้นจากใจไม่ได้เกิดขึ้นมาจากที่อื่นยินฟ้าอากาศเขาไม่ร้ว่าเราจะ ล, ล้มไหลบ่าบ อ, บอไปขนาดไหนมันก็อยู่ตามเรื่องของมันเป็นไปตามเรื่องของมัน